ขอความสุขความเจริญจงมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงคํามจากมาวิทย์ไรศีปทุมกำลังนําเสนอประวัติพระโมกขลานะเป็นเรื่องราวที่ท่านเล่าไว้ในพระคำพีอปาทานเกิดในอดีตกา น, านานมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามวานุมาทัดสี ตอนนั้นพระโมกคาลานะได้เป็นปยานาคชื่อบวรวรุณก็ได้รับเสด็จพระพุทธเจา้าพร้อมด้วยพระอาหารหันต์อีกหนึ่งพันรูปได้ถวายจตุปัจจัยทายฐานตลอดระยะเวลาเจ็ดวันด้วยผลอันในสงที่ท่านกระทำในคราวนั้นทำให้พบชาติของท่านประนีตขึ้น เป็นเวลานานโดยท่านเป็นเทศกะเทวราชที่77ครั้งเป็นพระราชา108ครั้งแล้วเกิดเป็นพระพรมอีก55าห้าครั้งห5หชาตินะครับแล้วก็รับการทำนายจากพระพุทธเจ้าอโนมาทัศสศีว่า ในการต่อไปนั้นท่านจะได้เกิดเป็นประมุคัลานะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ว่าช่วงมันห่างกันเหลือเกินเพราะในสังสารวัตที่ยาวนานหลังจากสเสวยผลบุญที่ได้จากการถวายทานแด่พระโนมัดศีสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ท่องเชี่ยวอยู่ในสังสารวัตรเป็นนั้นมาก แต่ที่นำมาเล่านั่นคือชาติหนึ่งท่านได้เชื่อคำกล่าวเทศของพัญญาตัวเองที่ใส่ร้ายพ่อแม่ถึงตาบอดทั้งคู่ปัญญาก็ยุโยงให้ฆ่าพ่อแม่ทั้งสองแล้วท่านก็ฆ่าตาย จากบาพกรรมเหล่านั้นทำให้ท่านในสังสารวัตรอีกยาวนานคือหลังจะตกนรกกี่ยาวนานแล้วเนี่ยก็บังเกิดเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้อลไรยแต่ว่าตามปกติแล้วก็จะเป็นเปรตมาก่อนในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นถูกทุบศีษะแตกแตกจนพังไงนะฮะหลายรอยหลายพันหลายหมื่นชาติด้วยกัน แมนในชาติปัจจุบันท่านก็เล่าไว้เป็นการล่วงหน้าว่าโอกาสต่อไปนี้ท่านก็จะถูกทุกศีรษะเพราะบาปกรรมที่เกิดขึ้นจากการฆ่าพ่อฆ่าแม่การฆ่าพ่อฆ่าแม่นั้นท่านเรียกว่าอนันตรกกรรมคือเป็นกรรมหนักฝ่ายกุศลที่เมื่อใครทำไปแล้วเนี่ยกรรมดีอย่างอื่น จะมากเท่าไหร่ก็ตามไม่สามารถจะขดัดขวางการให้ผลได้แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไม่สามารถบรรลุมรคผุลได้ก่อนด้วยจะต้องรับกรรมที่เกิดขึ้นจากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปก่อนแต่ล่าว่า เราเข้าถึงกำเนิดใดๆนรกหรือความเป็นมนุษย์ก็ตามยังต้องมีสีสัะแตกไปเพราะพร่างพร้อมด้วยกรรมอันชั่วในกำเนิดนั้นๆ น, น, นี้เป็นกรรมครั้งสุดท้ายของเราพบสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่แม้ในพบนี้กรรมเช่นนี้ จักมีแก่เราในเวลาใกล้จะตายก่อนท่านนิพพา น, นกันก็ถูกโจรรับจ้างให้มารุมกันฆ่าท่านที่กาลาศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิในภูเขาอิสิคิลิแล้วก็เจรนึกว่าตายแล้วนะฮะเพราะว่าโจรตั้งสีห้าร้อยมารุมทุบพระองค์เดียว อายุท่านก็คุกมากด้วยก็ลากศพของท่านไปโยนไว้แต่ท่านก็ยังไม่ไนิพานก็ประสานกายเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันเรียบร้อยเป็นปกติแล้วก็ไปจากกาลสิลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเวฬุวันกราบธูลาพระนิพานกราบธูลานิพาน เรื่องก็จะถึงในโอกาสต่อไปและท่านเราว่าเรามันประกอบวิเวกยินดีในสมาธิภาวนาวิเวกนั้นก็มีเป็นสามนะฮะคือกาอยวิเวกสงัดกายจิตวิเวกสัดจิตอุปเทวิเวกสัดกิเลสศาสตร์กายมันก็มีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งก็คืออยู่ในที่เงียบสงัดปราศ จ, จากเสียงรบกวนเพราะาเสียงเป็นขั้ศึกในการเจริญสมาธิแลว้วเวกีกระดับหนึ่งก็คืองดเว้นบาปทางกายก็คือการประทายชีวิตประทายทรัพย์สินแล้วก็ล่วงละเมิดในทางเพศก็หมายถึงทางวาจาด้วยนั่นแหละ คืองดเว้นจากการพูดเทศพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเร็วไหลจะนั่นก็เป็นจิตวิเวก ค, คือสังหัดจิตเป็นผลรวมของการเจริญสมถกรรมาฐานผ่านสมาธิไปตามลำดับจนบรรลุฌานตามลำดับการสี่ตามลำดับ แล้วก็อรูปฌานสี่ตามลำดับก็เรียกว่าได้สมาบัติแปดในช่วงนี้ถือว่าเป็นจิตบิเวก ค, คือจิตมันสงัดจากความนึกคิดด้วยอำนาจของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนิวรณแต่ว่าจิตก็มีกุศลละธรรมคุ้มครองจิตรักษาจิตปรุงจิตอยู่ ตามลำดับของฌานปฐมฌานก็มีกุศลธรรมสประการก็คือวิตกวิจารปีติสุขเอกะกะตาทุติยฌานนั้นก็มีกุศลตกกุศล ว, วิตก3ประการก็คือปีติสุขเอกะกะตัตตาตัตยฌานก็มีกุศลธรรมสองประการคืออุเบกขากับเอกคตา คือสุขกับเอกคตตาแล้วจตุตจานก็มีสุขมีอุเบกขากับเอกคตตามายความว่าปัญญาเด่นสมาธิเด่นนั่นหแล้วจากนั้นก็ขึ้นไปที่จตุตจานไออปรูปจานเพ่งอากาศเป็นอารมณ์เพ่งวิญญาณเป็นอารมณ์เพ่งความไม่มีมีอยู่นิดหน่อยเป็นอารมณ์ แต่เพ่งเห็นดูว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่เป็นอารมณก็ได้บรรลุฌานยินดีในสมาธิภาวนาอย่างที่เคยเล่าไว้ในพระสูตรในโมคลานสูตรว่าท่านไปนบาเพ็ญเพียรอยู่ที่หมู่บ้านกาลว่ากละวามุตรคามกรุงราชศกิ์แควนมักคดเนี่ยเป็นเวลาั้งเจ็ดวัน พักผ่อน้อยใช้เดียบทไปด้วยอารมณ์ของกรรมฐานคือยืนเดินนั่งมีการนอนน้อยร่างกายก็ไม่เล่นด้วยในที่สุดท่านก็ง่วงอยู่พูะเจ้า ก, ก็เสด็จไปโปรดอย่างที่เคยล่าไว้แล้วท่านยินดีในภาวนา ภาวนาก็คือการทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้นกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วให้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วก็มีสองประการนะฮะคือสมถภาวนาดังกล่าวแล้ววิปัสนาภาวน า, า, วนาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาการห้าเป็นต้นตามกฎของพระไตรลักษณ์คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา จนสามารถถ่ายถอนตันหามานาทิชิในขันธ์ห้าออกไปได้แล้วก็บรรลุมรผลไปในที่สุดเมื่อบรรลุมรผลก็กลายเป็นอุปธิวิเวกก็คือสงัดจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงหมายความว่าจะกระทบอารมณ์อะไรจากข้างนอกจะดีจะไม่ดีอย่างไงจะน่ากลัวอย่างไงน้า สยดสยองอยางไรก็ตามจิตใจก็จะไม่แปรผันไปตามอารมณ์ น, นั้นกําหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วกําหนดรู้อาสวะทั้งปวงก็คือกําหนดรู้ในฐานะที่เป็นโทษเพราะว่าภายในใจเราที่มีอาสวะนี่เองจะให้เราต้องท่องเที่ยวหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏหาจุดจบไม่ได้ อาจุดจบสิ้นไม่ได้ก้อนก็บำเพ็ญเพียรจนได้ดับอาสวะก็คืออาสวะขยานซึ่งเป็นปพยานที่ทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าทําให้คนเป็นพระอรหรันต์หมายความมาต้องบรรลุิยานนี้นะฮะจึงจะเป็นพระยบุคคลได้เป็นพระอรหันต์ได้ถ้ายัง ในบรรลุพระยาน้อ น, นี้ก็ยังไม่เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่เป็นพระอาหารหันต์เพราะท่านจึงไม่มีอสวะไม่มีสาาวะอยู่ภายในจิตใจของท่นานแล้วก็เป็นการไม่มีตลอดไปเขาเรียกว่าเป็นอกุปธรรมคือหมายความว่าอสวะไม่ได้กําเริบขึ้นภายในจิตใจของท่านอีกตกเลย แม้แผ่นดินที่ลึกยิ่งหนาะอะไรๆกำจัดได้ยากคือแผ่นดินลึกใหญ่เนี่ยใครๆจะทำลายแผ่นดินเนี่ยมันก็ขุดอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ไดนะ้แต่จะกำจัดเนี่ยทำได้ยากกำจัดได้ยากเราพูดถึงที่สุดแห่งดิษ ก็ยังไม่ไหวยังให้ไหวคือหมายความว่าทําแผ่นดินให้ไหวได้ด้วยวิธีง่ายๆนะฮะด้วยหัวนิ้วแม่มือข้างซ้ายของเราหมายความว่าเอ า, เอ า, เ, อาเอาหัวแม่มือข้างซ้ายกดลงไปเนี่ให้แผ่นดินไหวได้ท่านเล่าถึงผู้มีบุญ ในสมัยพุทธกาลเช่นนางวิสาขาอย่างเงี้ยฮะนางวิสาขานั้นเป็นผู้หญิงผู้มีบุญที่มีอนุภาพของบุญมากท่านสามารถระนิชีนี่กดงวงช้างให้โสบได้นะเกยลม้มลงไปได้มันก็แสดงว่าไอ้ น, นี้เป็นบุญยริศนะไอ้ น, นี้อิทธิฤทธิ์ของคนละเรื่องกัน แต่ว่าเป็นปัจจัยของการละกันคือบุ ญ, ญบุญญฤทธิ์นี่เป็นเหตุไ้เกิด อ, อิทธิฤทธิ์เวลาแสดงอิทธิฤทธิ์มันก็คล้ายๆกับบุญญรฤทธิ์เพียงแต่ว่าอิทธิฤทธิ์มันลึกซึ้งกว่าเพราะว่ามันเป็นผลจากการพัฒนาจิตของท่านเรานั้นเราไม่เห็นอัศมิมานะ คือความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราก็เรียกอาหางการมามังการอางารการมันคือเป็นของเรามังการก็คือเป็นไม่ใช่อาหางการก็คือเป็นเรามมังการก็คือเป็นของของเราเป็นเราก็เป็นอาการของทิชิเราเป็นก็เป็นอาการของมานะ เป็นของเราก็เป็นอาการคองทิจฐิทีนี้เมื่อท่านดับสัณหามาหนะ้ทิฏฐิได้แล้วไอ้ความรู้สึกเหล่านี้มันก็ไม่มีความถือตัวของเราก็ไม่มีอันนี้ท่านฟังลองนึกย้อนกลับไปที่พระพุทธดำรัสที่สัจสอนพระโมคคัลลานะว่าตุกอร์โมคคัลลานะเธอพึงศึกษาสัมเนียะว่า เราจากไม่ชุงวงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุลคือหมายความว่าอัตตาไม่เคืองนะฮะไม่มีมากไม่วางใหญ่เพื่อจะเข้าไปสู่สกุลต่างๆเข้าไปอย่างคล้ายๆกับช้างที่ไม่มีงานหรือว่าโคที่ถูกถอนถอนเข า, เาไปแล้ว ก็ไม่ได้คิดอะไรจะต่อสู้อะไรกับใครอ่ะคือไม่พร้อมจะต่อสู้อะไรกับใครแล้วก็เราทำความยำเกรงอย่างหนักแม้กระทั่งสามัญเหตุนี่ความอ่อนโยนภายใ น, ในใจของปฏิระคือจะ ให้ความเคารพยำเกรงแม้แต่เนเดนน้อยเด็กน้อยเนี่ยท่านก็ให้ความเคารพยำเกรงเพราะอะไรเพราะไม่มีมานะเป็นเหตุใดถือเอาให้ถือตัวอย่างนั้นอย่างที่ท่านเล่าถึงสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตพรหมรังสีถ้าให้ความอ่อนน้อมกับเนนกับเด็กกับพระ ตลอเราจะถึงสุนักเนี่อยอากให้ความอดน้อมในกรณีของสุนัขท่านตากจโวนไว้เมื่อสมัยก่อนก็มีสายระเดียงคือสายยาวเลยทำก็ไว้หรือทำกันเหล็กนะครับถ้าก็จโวนมาตากที่สายระเดียงตา ก, กันยาวหลายสิบฝืนก็ได้ พอดีจีวอท่านหล่นตากกลางคืนจีบอมันก็หล่นตอนกลางคืนนั่นแหละตอนไหนก็ไม่รู้ท่านไปถึงปรากฏว่าสุนัขขึ้นไปนอนอยู่บนจีวรแต่นั่งเฝ้ารอสุนัขตื่นแล้วก็ลุกขึ้นไปท่านจะได้เอาจีวรสะบัดให้เรียบร้อยแล้วก็ห่มไปบินทบาต คนก็สงสัยภิกษุก็สงสัยว่าทำไมสมเด็จไม่ไล่สุนักเาท่านบอกว่าไล่เขาได้ยังไงเขาก็มังนอนแล้วก็ไม่แน่สุนัขตัวนี้อาจจะเป็นพระโพชิตสัตว์มาเกิดในกำเนิดสุนักก็ได้ท่านเดินจะไม่ข้ามสุนักหมายความมันสิ่งมีชีวิต ท, ที่มันเห็นด้วยตา จะไม่เดินข้มามให้ความเคารพอด น, น้อมต่อคนทั้งหลายโดการที่เรามีความก้าวร้าวรุนแรงแข็งกร้าหรือวิธีการต่างๆนีมันก็เกิดขึ้นจากมานะคือความถือตัวเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโ น, น้นแล้วก็ไม่ยอมประนีประนอมหลอมซอมซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่าง ก, ก็ด้างเรื่องไม่น่าจะเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องไม่น่าจะขัดแยง้งมันก็ขัดแยง้งที่โบราณดานพูดว่าต่างตัวต่างดีต่างมีวิ ช, ชาต่างตัวต่างกาวิ ช, ชาเทียมกันถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ยุง่งจริงๆมนุษย์ดันถ้าคิดดูให้ดีเนี่ยเราอะไรมาเป็นมันอนะ แล้วก็คือกองของดินของน้ำของลมของไฟกลุ่มของอากาศแล้วก็บิน ญ, ญาณแล้วคนอื่นสัตว์อื่นนะแม้แต่สุนัขเนี่ยก็ เ, กเป็นก้อนของดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณสัตติ น, น่าสกปรกสารสิเสียเอียนยังไงมันก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณอื่นกัน แล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างเรากับสัตว์มันก็อยู่ที่ใจเราสูงพอหรือไม่ถ้าใจเราสูงพอเราก็เหนือกว่าสัตว์ถ้าใจเราต่ำไม่แน่สัตว์ใจสูงก็ได้แต่ว่าเราก็หลอกตัวเองอย่างเงี้ยโดยอำนาจของตันหามานาะทิชิ ท, ทีนี้พระเทระท่านหมดหมดแล้วเรื่องเหล่านั้นหมดแล้ว มันเป็นอาการสะท้อนภาพลักษณ์ของพระอระหันต์ว่าท่านเป็นของท่านอย่างนี้แหละคือไม่ต้องถามมาทําไมมันเหมือนกับคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายเนี่ยถามมาทําไมก็มันเป็นของมันอย่างเนี้ยชีวิตเด่นมันเป็นอย่างเนี้ยไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอก แต่เราเข้าใจความจริงในประเด็นเหล่านี้เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรตายก็ตายแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บเจี๋ยก็รักษากันไปรักษาอาจจะหายก็ได้ไม่หายก็ตายไปตายไปเรายังมีกิเลสเราก็เกิดอีกอยากจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะพอเราไม่ได้อยู่ในบงการของเราเราอยู่ในบงการของ ธรรมะทั้งที่เป็นกุศลอกุศลแต่สาสตร์ใดที่เรายังมีกิเลสเราเรียกลมรวมมอาอวิชามันก็ทํากรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลชั้นสูงเช่นอรูปฌานะมาเป็นเหตุแห่งสังสารวัฏอยังเป็นเหตุแห่งการเวีทว่ายตายเกิดอยู่อย่างไรเราก็ต้องเกิดอีก พอใจหรือไม่พอใจเราก็ม่มีสิทธิ์ที่จะพอใจหรือไม่พอใจแต่เราไม่พอใจที่จะเกิดมันก็ตัดรากง้าวของความเกิดออกไปด้วยความเพียรพยายามที่เรียกว่าทุ่มชีวิตลงไปทีเดียวเวลาจะต้องอยู่เรื่องวิเวกนี้มาก หมายความว่ากายจะต้องสงบวิญญาต้องสงบใจต้องสงบกิเลส ต, ต้องสงบการที่กิเลสสงบเนี่ยกายวิญญามันก็สงบกายก็สงบวิญญาก็สงบใจก็สงบเพราะมันที่บุ้งบุ่นอยู่เนี่ยที่ยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเป็นอาการของกิเลสไปกันทั้งนั้นแล้วท่านก็บอกว่า ในกับปัญหาประมาณไม่ได้แต่พัฒรกับนี้หมายความมานับนับชาติที่ทั้งเกิดแต่ย้อนขึ้นไปข้างบนเพราะเราได้ทำสั่งสมกรรมไว้ในการนั้นกรรมที่เป็นกุศลนะกร ร, น ก, ลกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นอกุศลก็ให้ผลตกนรกไปแล้วถูกทุบที่สะแตกไปแล้ว แต่ก็ยังไม่หมดดีนะเพราะในวาระสุดท้ายท่านก็เป็นอย่างนั้นอีกในกับปัญหาประมาณมีได้แต่พัตตะกับนี้คือมันแดงให้เห็นถึงการลึกซาดเนี่ยลึกษาดระดับนี้ระดับพระอรหันต์อย่างนี้แล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุด ทีนี้สมมติเราจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่รู้จะนับยังไงอ่ะนับไปก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรเรากลับเราดัมนมาผ่านมาหมดแล้วท้งนั้นเดี๋ยวมันตายไปแล้วมันผ่านไปแล้วเอามานับไปก็ปวดใจดังนั้นท่านจังบอกว่า เพราะเราได้สั่งสมกรรมไว้ในการนั้นเราได้บรรลุถึงภูมินั้นตามลำดับแล้วมันเป็นการแสดงสองฝาวภาของกุศลกุศลนี่ส่วนหนึ่งมันก็ให้ผลดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่าไปจากเรื่อยๆอกุศลก็ให้ผลกันไป ทีนี้ในฝ่ายของกุศลเนี่ยจนการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นผลของกุศลเป็นเรื่องของบุญญนนิธิบุญทรัพย์คือบุญที่คนได้สร้างสมบรมเอาไว้แล้วก็ในการเพิ่มบุญบนกุศลพวกเราเนี้มันก็การ เป็นเจ้าประเทศสราทกาดีเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ดีเป็นเท้าสกฤเทวรากุลีเนี่ยเด่นผลกุศลระดับทานนะฮะระดับทานก็เป็นวัตฏามีกุศลตกแต่งภกชาติของบุคคลให้มีความประณีตประณีตประณีตประณีตขึ้นไปโดยลําดับภูมิจิตก็ประณีตขึ้นพวพของจิตก็ประณีตขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในโลก อยู่ในกระแสะโลกทีนี้ในห่วงกับอันไม่อาจจะนับได้เนี่ยมันมีกรรมเป็นอันมากที่ท่านทำเพื่อเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากสังสารวัฏตอนตอนแรกเนี่ยท่านเล่าถึงผลกุศลระดับวัตตะตอนที่สองเนี่ยแสดงถึงปุ ก็ขออ้ออกุศลระดับวัตะเหมือนกันอันนี้มันแน่นอนแหละ ว, วัตะแน่นอนส่วช่วงที่สามก็เล่าถึงกุศลระดับวิวัตฐะคือหลุดพ้นจากสังสารวัฏว่าเราได้บรรลุถึงภูมินั้นตามระดับแล้วได้เป็นผู้บรรลุถึงธรรมเครื่องสิ้นอาสวะแล้ว ผลผลจากการบรรลุอาสวัคยานเนี่ยมันมาจากการเจริญนี้แหละศีล ส, สมาธิปัญญานี่แหละที่สะสมขึ้นภายในจิตสันดานผ่านพบชาติประดิษฐ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิจิตนี่สูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสี อันนี้ก็ท่านเปิดยานเลยนะฮะเปิดยานไปเลยเพราะว่าคุณสมบัติของพระหานี่เยอะเราจะเอามาพูดส่วนใหญ่นี่เราจะพูดสามสี่อย่างก็เรียกว่าอะไรวิชาสามอภิญญาหกปฏิสามพิธาสี่แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าสุขาวิปัสสก์อภิญญาหกเอาอภิญญาหกสึกก่อน อภิญญาหกก็คือมโนมยิิมีฤทธิ์ในทางใจสามารถจะไปปรากฏกายในที่ต่างๆด้วยรูปที่สำเร็จด้วยใจหมายความไม่ใช่รูปจริงหรอกแต่ว่าเหมือนกับใจเ ห, เหมือนก็รูปจริงนั่นแหละอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ในรูปแบบต่างๆได้เป็นความสำเร็จเฉพาะตัวของท่านเหล่านั้น เรียนแบบไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีคุณสมบัติถ้ามีคุณสมบัติก็ไม่ได้ถือว่าเรียนแบบมันเป็นของมันเองโดยคุณสมบัติที่เกิดมาเองแล้วก็ทิพโสฏหูทิพเจโตปริญานรู้จักใจถ่ายใจบุคคลอื่นบุเพในวันสาติญาณระลึกชาติได้ เกก็อานสวักดา์ธย ร, รอนอาสวายหมดไปสิ้นไปไปสมิทาสี่ก็คือธรรมะไปสมิทาปัญญาแตกฉานในธรรมะอัตาไปสมิทาปัญญาแตกฉานในเนื้อหาแห่งธรรมะเหล่านั้น นิริติไปสัมพิทาปัญญาแตกฉานในภาษาที่จะใช้สื่อสารกับคนฟังซึ่งมันแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆต้องมีการยากัยกย้ายเปลี่ยนแปลงภาษาที่จะสื่อสารเพรันจึงต้องอาศัยปฏิภาณนำไปสัมพิทาปัญญาที่แตกฉานในปฏิภาณทีนี้พิจารสามจะยิ่งก็ซ้ําแล้ว หมายความว่าหนึ่งูเพนวันสารติญาณลึกชาตปางก่อนได้สองจตูปปาตยญาณลึกชาต์ไม่ใช่รู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมได้แล้วก็อสะวะกรญาณปริยานที่ทำอาสะวะให้หมดไปสิ้นไปเป็นต้นนะฮะต้องเป็นต้นเลยคุณสมบัติเหล่านี้ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทําเสร็จแล้วหมายความมรรคิจที่จะต้องทําเกี่ยวกับการละชั่วประพฤติดีในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านทําได้สมบูรณ์คือหมายความมาละชั่วได้อย่างสมบูรณ์ทําดีได้อย่างสมบูรณ์ก็ตรงตามหลักเนี้ย สัปปพะ ป, ป, ะ, ส ะ, ะ, ปะสักรังนังกุสลสูภาษิตปรดาสจิตะประโยชน์ดับปังญอตังมดทานศาสสนังการไม่ทำบาตทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำจิตให้ผ่องแพร่นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้ ง, งหลายแล้วก็ ในการต่อมาพระศาสดาทรงประทับอยู่ในถ้ำกลางหมู่พระเรียสุงในพระวิหารเชตตะวันเ่อจะทรงตั้งพระสาวกทั้งหลายของพระองค์ไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศด้วยคุณนั้นจึงได้ทรงตั้งท่านมหมาโมคคัลลานะเทระนั้นไว้ในตาแหน่งเป็นผู้เลิศเพราะเป็นผู้มีฤทธิ์ว่าดูก่อนภิสุทั้งหลาย โมคะลนเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้สาวกของเราผู้มีดิจโดยนั้นพระเถระผู้บรรลุถึงที่สุดสาวกบรมีญานที่พระาศาสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศนี้นั้นอาศัยเหตุนั้นจึงได้กล่าวคาถาทั้งหลายไว้ในที่นั้นๆกคาถาเหล่านั้นพระธรรมสังกะกาจาร ได้ยกขึ้นสู่สังขายนารวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ด้วยกันในคราวที่ทำสังขายนาแล้วก็คาถาของท่านเนี่ยมันเริ่มที่ของภาษาดิบุตรได้มาจากอะไรละ่ะหนึ่งพันหนึ่งพันสิบสี่นะสิบห้าสิบสี่สิบห้า แต่ว่าเรื่องมันก็คํามาสองสามรูปก็มาถึงพระโมคคัลลานานี่มาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าข้อขึ้นไปนะมีข้อความมีข้อความเป็นอันมากเออที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าประวัติของพระมหาสาวกได้บ่งชี้ให้เราเห็นว่า ความเชื่อมั่นในกฎของกรรมกับกฎของสังสารวัฏมีความสาคัญมากระดับวัฏกามีกุศลคือสาบรลยที่เรายัางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยความเชื่อมั่นในเรื่องบุญบาปกับความเชื่อมั่นในเรื่องสังสารวัฏมันยึดโยงกันอยู่หมายความว่า ถ้าเราทำบาปมาความมาภูมิจิตเราก็อยู่ระดับกามาวาจรภูมิชั้นตำ่ำพะที่จิตจะไปอุบัติ้วยการปรุงแต่งของกรรมกรรมที่เป็นบาปมันก็บังเกิดในนรกเปรตอสุรกายดิริชานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็แล้วแต่การจำแนกของกรรมในกรณีนั้ น, น, นทีนี้ถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นในเรื่องบุญกุศลเราก็เริ่มจากทานศีลภาวนาขึ้นไปเนี่ยนะอะไรก็ได้เรากนาาจากทานถ้าได้ทักกินในยบุคคลคือผู้รับทานที่ประณีตยอย่างพระโนมทัทศีสมาสัมพุทธเจ้า โอ้ยมัก็ช่วยพักสังสารวัตรไปนานนะฮะเป็นเทา้าสกะเทวราชเจ็ดสิบเจ็ดชาติเป็นพระราชาร้อยแปดชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าสิบห้าชาตินั้นก็พลังของบุญที่แต่ ว, ว่าทานต้องสมบูรณ์นะฮะทานต้องสมบูรณ์ หมายความว่าทั้งผู้รับทั้งปัจจัยทั้งเจตนาอยู่ของเราในสองอย่างคือหมายความว่าปัจจัยกับเจตนาอย่างขางนอกสองอย่างก็คือคุณสมบัติของผู้รับกับสถานะในขณะนั้นๆของผู้รับรือร า, ากว่าท่านผู้นั้นเป็นพระนาคามีพระอระหรันต แล้วก็ออกจากในรถสม บ, บัติก็ถือว่าสุดยอดเราถวายทานแกท่านเป็นคนแรกเพราะในทุนของเราก็สองอย่างก็คือสิ่งที่นำมาบริจาคนั้นจะต้องบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็จิตใจของเราเจตนาทั้งก่อนให้ทั้งขณะให้ทั้งหลังจากให้ไปแล้วเนี่ยเป็นเจตนาที่บริสุทธ ไม่มีอาการของความแข็งดีความโอ้โอวดความหลอกลวงหรือต้องการเสนอหน้าอะไรแต่ไรต่างๆจะนวการทำบุญในปัจจุบันเนี่ยคือมันต้องการความดังเสียมากบางครั้งบางคราวเนี่ยเพราะในกิจกรรมของพระที่ท่านออกรายการวิทยุ ช่วงหนึ่งนี่จะทิ้งไปเพื่อประชาสัมพันธ์บอกกล่าวว่าท่านผู้ดันได้บริจาคเงินช่วยในการจัดรายการเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นทนั้ น, น, นบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วทีมกินเวลาไปเจ็บคือฟังรายการธรรมะรายการหนึ่งเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์นี่ลองตั้งในกาดูเลยว่าทําไมมันประชาสัมพันธ์เยอะระเกง ครึ่งชั่วโมงนะและยังเหลือเพลงที่ตอนท้ายกับตอนต้นอีกปรากฏว่าพูดเองก็ละ20นาทีแต่ว่ากลายเป็นโฆษณาให้โยมซื้อตังเยอะแต่ว่ามันจะเป็นจะต้องคล้อยตามเขานะคือตาหากว่าไม่ประกาศโฆษณา ให้เป็นที่รับรู้ของคนทั้งหลายคนก็จะทำบุญกัน น, อน้อยกานทานก็จาเป็นที่จะต้องทำนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสังเกตว่าที่จริงการให้ทานนี่เรารู้แต่นั่นเองเรารู้ว่าเราได้ให้ทาน เจ ต, ตนาทั้งสมการไม่เกี่ยวอะไรกับคนคนอื่นเลยปัจจัยก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นแต่แน่นอนคือถ้าหากว่าคนเขาเห็นเขาได้ยินเอาละเขาได้เห็นเขาได้ยินแต่เราไม่ได้เจตนาจะอวดเพียงแต่ว่าต้องการให้เขาได้อันโมทนาบุญ ก็มือก็ร่วมบุญด้วยกันเอาไปทอดกตินมานะไปฝังลูกในมิตมาไปทอดป่าป่ามาขอรับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยกันเพื่อนก่อนโมทนาสาธุไอ้นี้เป็นอนุโมโทนาก็แล้วแต่รายละเอียดมันก็มีอยู่เยอะสรุปว่า ในการทำทานจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ผู้ให้กับผู้รับทั้งเองเพราะนั้นพระเจ้าจึงทรงจำแนกประเภทเขาเรียกว่าทักขิเนยะบุคคลไว้สี่ประการประการแรกก็คือไม่บริสุทธิ์ทั้งขวายผู้ให้และขวายผู้รับมีผลน้อยสองผู้รับที่อยู่ในศีลในธรรม แต่ผู้ให้ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็อนิสงฆ์ก็ครึ่งหนึ่งประการที่สามนั้นผู้ผู้ให้เนี่ยอยู่ในศีลในธรรมแต่ผู้รับไม่อยู่ในศีลในธรรมผลก็ครึ่งหนึ่งทีนี้ถ้ายดีเมื่อต่อสองอย่างก็เรียกบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายผู้ให้แล้วก็ฝ่ายผู้รับอันนี้พวกนี้เป็นผลเป็นอานิสงฆ์มากมันก็เป็นปัจจัยแห่งสวรรค์แล้วขนาดนี้ นั้นในอนที่ส่งของทานในส่งของทานที่ส่งแสดงเอาไว้เช่นผู้ให้ย่อมผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากกิติคุณอดีงามของผู้ให้ทานย่อมพุงกระจรกระจายไปสัตว์บุรุษเมื่อจะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ผู้ให้ทาน ตัวาทานจะอ ง, งาอาจกล้าหาญไม่ข้างทามความกลรงในสมาคมต่างๆที่ตนเข้าไปแล้วก็จะไม่หลงตายตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุขติตัวอย่างตัวนี้เราก็เห็นได้จากพระเทวทัตในสมัยที่เป็นพญานาคชื่อว่าวรุณอันนี้เชื่อมโยงกันเลยนะเชื่อมโยงกันเลยมาความว่า ตายจากพญานาคราชแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเทวสกเทวราชจา้าเทวสกเทวราชก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระราชาในขณะเป็นพระราชานั้นแสดงว่าท่านต้องบำเพ็ญพุฒมิหารทั้งสี่จึงได้ไปเกิดเป็นพุม ต่นจะดูแล้วว่าบุญแรงตอนแรกเนี่ยมันน่าจะกิดเป็นพรมก่อนแต่ปรากฏว่าเป็นทาาา้าวสก่าเทวราชก่อนท้าวสกาเทวราชเล็กกว่าพรมนะฮะก็หมายความมาตอนเป็นพระราชาอยู่ร้อยแปดชาติเนี่ยท่านได้เจริญพรห ม, มิหารสีด้วยเพราะอัตยาใสายโนมเมียงมาในทางทานอยู่สูงแล้ว ก็ทําให้ท่านได้บังเกิดในพรหมโลกพรหมโลกมันต้องเกิดด้ยพรหมิหารทั้งสี่เราเกิดด้วยรูปประชานนะนะเกิดในรูปประชานโดยหลักจริงๆเราต้องรูปประชานเจริญพรหมิหารสี่ก็ต้องได้บรรลุรูปประชานจึงจะเกิดในพรหมโลกบางก็ทําให้เราเห็นว่าเอเอการเกิดเป็นพรหมเนี่ยมันเกิดมานานแล้ว ก็หมายความว่าแม้ในศาสนาอื่นนี่คนก็สามารถเกิดในพรหมโลกได้โดยเฉพาะยิ่งศสาสนาพราหม์ศาสนาพราหมณดูเนี่ยคนก็บังเกิดในพรหมโลกได้เพราะเขาเจริญฌานเช่นเดียวกันบางลัทธินะฮะเจริญฌานเด้ยวกันมันอยู่ที่ตัวเหตุตัวเหตุดนั้นมันคืออะไร เราตักการผลยังไงว่าผลเหล่านั้นเราได้สร้างเหตุหรือไม่ถ้าสร้างเหตุผลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่สร้างเหตุก็เป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้นี่ก็เป็นประเด็นที่ที่น่าทําความเข้าใจเอาไว้ต่อจะเห็นว่าที่ท่านบอกว่า พระหมหาเทรเทระผู้บรรลุถึงที่สุดแห่งสาวกบรมีญาณที่พระาศาสดาทรงตั้งไว้ใ น, นตำแหน่งผู้เลิศอย่างนี้นั้นอาศัยเหตุเหตุต่างๆนะเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นคาถาต่อไปเนี่ยจะเล่าจะเล่าถึงบุญกุศลในแต่ละพบแต่ละชาที่ท่านได้กระทำซึ่งแน่นอนว่าส่วนหนึ่งสามันชนทั่วไปก็เดินตามได้นะกี่เปอร์เซนต์ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเดินตามได้ทุกข้อแหละ มากหรือน้อยก็เป็นวาสนาบา ร, รมีอุปนิสัยประจัยของบุคคลเหล่านั้นเป็นประการสำคัญแต่ไม่ใช่กระโดดลอยไปจนถึงว่าใครแต่ต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้แต่มาในความเป็นจริงมันก็สัมผัสได้ระดับหนึ่งข้างนั้นแหละเพียงแต่ว่าลึกซึ้งขนาดไหน แน่นอนบางทีเราก็ไม่ถึงกระชานหรอกแต่ว่าสมาธิมันเกิดขึ้นได้อย่างน้อยก็เป็นคณิกะสมาธิหรูปรจารสมาธิหรือบางเวลาเรานั่งสมาธินี่ก็ไปถึงอัปปนาสมาธิก็ได้แต่คงไม่ใช่ทุกคราวหรทุกคราวมันก็ต้องตู่มถามทุกคืนแล้วก็ทำ น, น, นานๆนะฮะทุ่มเทเวลาชีวิตไปเป็น น, น, นานๆ ถึงเหล่านั้นก็ต้องตัดเรื่องอื่นออกเพราะไม่งั้นมันมีเรื่องกังวลก็เดี๋ยวมีปริโพอดมีเครื่องกังวลวุ่นวายผูกมัดเอาไว้ไม่สามารถที่จะก้าวย่างไปบนเส้นทางสายนั้นได้ทีนี้ถ้าถึงศีลแล้วก็ศีลแต่ละข้อเองนะฮะศีลแต่ละข้อเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลห้าข้อเนี่ย แล้วก็โจทยจงศีลสีข้อแรกนะะแล้วก็เป็นทางแห่งสวรรค์ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสุดจริตทางกายสุดจริตทางวาจาก็ แ, แสดงว่าใจมันต้องสุดจริตตอศีลห้าแต่เราดูให้ดีศีลสีข้อเนี่ยนะเอาทั้งห้าข้อก็ได้มันก็คือกุศลกับบุสิ แต่ว่ากุศลกบฏสิบประนีตขึ้นมากกว่าเพราะมันเข้าถึงใจคือหมายความว่ามีมโนสุจริตอยู่ด้วยแต่ว่าสีน่านไม่แสดงโดยตรงแต่เหมือนก็แสดงนะฮะประกอบกายสุจริตประจีสุจริตมันต้องหมายถึงมโนสุจริตด้วยแต่มโนไม่สุจริตกายก็เป็นมายาเป็นเจ้าเล่ห์เป็นเสแสร้งเป็นโอ้อวดเป็นแข่งดีเป็นหลอกลวงไป ต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาเิตรลัยสีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้อ่สุนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี